ลักษณะของจิตก่อนตายอย่างไรที่เข้าข่ายหมนหมองขณะที่ทำให้ต้องไปสู่ทุกขติภูมิไม่ว่าจะใกล้ตายหรือขณะกำลังอยู่ดีมีความเป็นปกติอย่างนี้จิตคนเราหม่นหมองด้วยลักษณะเดียวกันหมดครับคือไม่สามารถนึกถึงสิ่งที่เป็นมงคลไม่อาจรู้สึกช่มชื่นตื่นตา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 แม้อุตส่าห์สั่งสมบุญญาบารมีทำดีให้ทานรักษาศีลมาตลอดชีวิตแต่พลาดตกมาตายตอนจบตายด้วยอารมณ์เศร้าหมองแล้วแทนที่จะไปดีสวยสุขดังควรก็อาจถูกความหมุนหมองเขียยให้ไปอยู่รวมกับพวกเร่ร่อนในภูมิเปรตแช่จมอยู่กับความวังเวงเงียบเหงาแต่ก็ไม่ถึงกับถูกเผาเผาด้วยไฟหรือเครื่องทรมานสาหัสนัก และอาจติดอยู่กับพบของความเป็นเช่นนั้นในระยะสั้นๆสำหรับพวกบุญเก่าดีแต่ตายขณะจิตเศร้าหมองนั้นเมื่อใดระลึกถึงกุศลเก่าได้หรือมีญาติที่ผูกพันกันแน่นแฟ้นอุทิศส่วนกุศลหรือมีพระที่ชำนาญฌานสมาบัติแผ่เมตตาชนิดที่มีพลังสะเทือนกระตุ้นเตือนให้รับรู้และอนุโมทนาบุญสำเร็จพวกนี้มักจะหลุดบ่วงไปไม่ยากนัก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 เพราะพอเกิดเป็นสัตยรชาญเกือบร้อยเปอร์เซนต์จะลืมอดีตแต่หุนหลังหมดและมีจิตผูกติดอยู่กับประสาทยาใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณและอารมณ์หรือเมื่อลอยไร้จุดหมายวันวันเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งเรื่อยเปื่อยโดยไม่รู้จะทำอะไรให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมแม้ใครอุทิศส่วนกุศลมาให้แรงขนาดไหนจิตก็ไม่อาจงหัวขึ้นรับรู้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 แถมก่อนตายนึกอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าไปมาจมปลักอยู่กับเรื่องอัปมงคลอันเจอด้วยราคะโทสะโมหะแบบถอนตัวไม่ขึ้นอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับมีสิทธ์เจอวิบากชั่วทั้งหลา ย, ยเรียงคิวมาบอมยาวเหยียดชำระหนี้บาปจากคุ้มหนึ่งก็ อ, อาจต้องระเหตดไปร้องจักจต่อที่อีกคุมหนึ่งหรืออาจตกอยู่ในความทุกข์รม ความหิวโหยไส้กิวทรมานความคลุ้มคลั่งแบบเดียวกับช้างตกมันแต่แย่กว่าช้างตกมันตรงที่ต้องอยู่ในอาการตกมันนานแสนานานเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะหน้าที่หนึ่งของนรกคือให้ผลเป็นทุกข์ยืดเยื้อยาวนาน